ตีกรอบนิยามให้ชัดว่าคุณกำลังอยู่โซนใดของโลกจิตวิญญาณช่วให้เลือกครบคนง่ายขึ้นเป็นตัวของตัวเองง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้แค่รู้ว่าเรากำลังอยู่ในโลกส่วนไหนเป็นเขตประเทศใดน่าจะยังไม่พอเพราะแนวโน้มคือนับวันยิ่งมีการแบ่งชั้นวันนะทางจิตวิญญาณกันมากขึ้นเรื่อยๆ จนหลายคนอารมณ์เสียทุกวันเมื่อเผลอเข้าเขตต้องห้ามแตกต่างจากตนเองเป็นคนละโลกโดยไม่รู้ตัวการตีกรอบนิยามให้ชัดว่าคุณกาลังอยู่ส่วนไหนโซนไหนของโลกจิตวิญญาณบางทีช่วยให้เลือกคบคนง่ายขึ้นหายใจให้คอง่ายขึ้นมีชีวิตเป็นตัวของตัวเองง่ายขึ้นรู้ว่าคนคาดหวังหรือไม่คาดหวังเอากับคนประเภทไหนอย่างไร ไม่ใช่วังให้ทุกคนในโลกเข้าใจตรงกันมีสามัญสำนึกแบบเดียวกันแลวต้องมาบ่นทุกวันว่าโลกเป็นอะไรไปแล้วทำไมผู้คนถึงบ้าคลั่งกันไปหมดแล้วทำไมฉันถึงเจอคนชุเรศทุเร ศ, เรศบ่อยขึ้นทุกทีต่อให้ถึงกะลียุคที่เหมือนผู้คนบนถนนคลุ้มค ล, คลั่งกันไปหมดถ้าคนขี้เกรงใจฝ่สันติไม่คิดเบียดเบียนใครเลย ไม่อยากพูดจาระคายโสดใครเลยคุณก็จะเจอพวกเดียวกันอยู่ดีแม้หายากสักหน่อยแต่โลกนี้ไม่มีทางให้คุณอยู่คนเดียวตามลำพังจะแบบเห็นหน้าเห็นตาหรือเห็นแต่อักษรในโซเชียลก็ตามการตกลงกับตัวเองอย่างชัดเจนว่าอยากอยู่ในโลกของจิตวิญญาณแบบไหนสำคัญมากเพราะจะกำหนดพฤติกรรมของคุณที่จะทาอะไรให้ใครก่อน และจะช่วยให้คุณมีสติขึ้นมาตอนถูกใครกระทําใส่เมื่อเกิดสถานการณ์ยุให้เลือกโซนจิตวิญญาณเช่นเจอคนจิตหยาบพูดจาหยับหยาบใส่คุณราวกับอิวเลือดหากคุณไม่คิดเลือกโซนไว้ก่อนก็ยอมใช้สัญชาตญาณสวนกลับแบบหยับหยาบบ้างตาต่อตาฟันต่อฟันและมีท่าทีกระหายเลือดตามเขาโดยไม่รู้ตัว แต่หากคุณเลือกไว้ล่วงหน้าว่าจะอยู่ในโซนจิตวิ ญ, ญญาณที่พระนีดคุณอาจจะคุณมัวแต่กลับฟื้นคืนสติได้นึกถึงใจที่พระนีดกว่าของตัวเองได้แล้วนึกสงสารเขาไม่ใช่โกรธเขาเลือกคำที่ดีที่สุดเท่าที่จะคิดได้ไปโต้ตอบกับเขาเพื่อไม่ให้อาการของเขากำเริบหนักไปกว่านั้นหรือพิจารณาแล้วว่าคุยด้วยคงไม่มีใครได้อะไร ต่างคนต่างไปจะได้ไม่ต้องติดนี่เวรนร้อนๆกันดีกว่าหากไม่สังเกตคุณจะไม่รู้เลยว่าโลกเราแบ่งโซนรุโซนเยือกเย็นทางจิตวิญญาณกันท่าไหนเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ไหลาตามกระแสร้อนจนคนส่วนหนึ่งเอื่มระอากับไอร้อนและไฟเย็นไม่อยากเห็นสงครามกันมากขึ้นทุกทีคุณแค่ต้องเร่งถามตัวเองดีๆว่า ชีวิตที่เหลือจะฝึกตัวเองให้อยู่โซนเย็นแบบคนที่ระอาโลกร้อนหรือจะเป็นพวกโซนร้อนที่ขบขันและย่ะหยันคนอยากอยู่เย็น